วิธีการเจริญสติวงเล็บเปิดหมีนาคม2552ในวงเล็บสองวงเล็บปิดสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดคนรุ่นหลังที่พลาดแล้วล้มลุกคลุกคลานในการปฏิบตัติเพราะไปแปลสติว่ากำหนดกำหนดจดจ้องไม่ใช่สติเป็นการบังคับตัวเราเป็นการกดข่มตัวเองสติทำหน้าที่ระลึกรู้เท่านั้นเองว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่รูปกำลังปรากฏอยู่ นามกำลังปรากฏอยู่นี่สติทำหน้าที่ระลึกรู้ระลึกรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นระลึกรู้แล้วอากุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอากุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่มีสติระลึกรู้แล้วกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะสตินั่นแหละตัวกุศลระลึกรู้แล้วกุศลจะงอกงามไพบู์ขึ้นอย่างเบื้องต้นเรามีสติต่อไปเราจะเกิดฮิริโอตัปปะ เวลาจะทำชั่วมันจะละอายแก่ใจเพราะมันเห็นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจพอเรามีหิริโอต ป, ปะเราจะมีอินทสียสังวรเราจะเกิดความสำรวมระวังเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เมื่อเรามีอินทรียาสังวรศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าอินทรียสังวรศีลเมื่อเรามีศีลจิตใจเราจะมีความสงบมีความสุขเมื่อมีความสุขสมาธิก็จะเกิดขึ้นใจจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจ เมื่อมีสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจปัญญาที่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาแก่รอบวิมุตติคือความหลุดพ้นคือการที่จิตสลัดคื น, คนกายคืนใจให้โลกก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีวิมุตติก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระนิพพานเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะเห็นไหมกุศลทั้งหลายจเจริญมาได้เพราะสตินั่นเองถ้าขาดสติตัวเดียวกุศลทั้งหลายจะไม่มีเลย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 นอกนั้นเป็นรายละเอียดปรีกย่อยแล้วเช่นวิธีรู้รูปจะรู้อย่างไรวิธีรู้นามจะรู้อย่างไรระหว่างรู้จิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องค่อยๆเรียนไปธรรมาทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อเอามาสรุปให้ฟังนี่เอามาจากคำสอนของหลวงปูด่ดูลคํคำเดียวที่สอนหลวงพ่อว่าในเครื่องหมายคาพูดให้ดูจิตอาศัยว่าดูจิตนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้เลยเกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าเรามีสตินั่นเองเจริญสติไปเรื่อยนั่นแหละทั้งหมดของการปฏิบัติการเจริญสตินั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางดูอย่างนี้เรื่อยๆถ้ารู้มาเพียงพอมันจะเกิดปฏิเวทขึ้นในขั้นปริยติเราเรียนให้ได้สัมมาทิฐิรู้วิธีปฏิบัติในขั้นปฏิบัติเราเจริญสติทำสัมมาสติให้เยอะๆ ในขณะที่จะเกิดปฏิเวทเนี่ยองค์ธรรมสำคัญคือสัมมาสมาธิจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธิโดยอัตโนมัติเลยถึงคนซึ่งไม่เคยเข้าฌานเลยน ะ, จะเจริญสติถูกต้องรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยพอถึงจุดที่เขาพอจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธิเองตัวสัมมาสมาธิในระดับอัปนาสมาธิจะทาหน้าที่เป็นตัวรวบรวมองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายให้ผนึกกาลังเข้าเป็นหนึ่งเพราะหน้าที่ของสมาธิ ก็คือรวบรวมธรรมะที่เกิดร่วมกันให้มันมาทำงานร่วมกันได้ฉะนั้นในขณะที่สัมมาสมาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีสัมมาสติมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวามะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะในวงเล็บและสัมมาอาชีวะมีทั้งหมดเลยในขณะนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะประชุมกันในขณะนั้นเลย ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะนั้นคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายคือเครื่องหมายคำพูดเปิดโพธิปักขียธรรมปิดเครื่องหมายคำพูดเกิดขึ้นในขณะนั้นสามสิบเจ็ดประการคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตัวที่เป็นตัวรวบรวมผนึกกําลังของธรรมะฝ่ายดีเข้าด้วยกันเป็นกองทัพของธรร ม, มะพอธรร ม, มะผนึกกําลังเข้าด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิแล้ว ธรรมะนี้จะมีพลังยิ่งใหญ่มากลำพังธรรมะกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวไม่สามารถล้างกิเลสขั้นละเอียดคือสังโยชน์ได้เลยต้องอาศัยการผนึกกำลังของกุศลทั้งหลายผนึกเข้าเป็นหนึ่งเลยฉะนั้นสัมมาส ม, มาธิจะเป็นตัวหลักจะผนึกกำลังเป็นหนึ่งแล้วก็ทำลายเกิดอริยมรรคขึ้นมามันทำลายสังโยชน์ลงไปขาดแล้วขาดเลยขาดแล้วไม่กลับมาอีกถ้ายังผลบพลบโผล่ๆอย่างเราขั้นทำวิปัสสนาอยู่นี่ กิเลสเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันมันก็ดับไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดอีกตัณหาเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนี่ขั้นทำวิปัสสนาขั้นทำสมถะก็เหมือนกันทำได้ชั่วคราวใจฟุ้งซ่านทำความสงบแล้วก็สงบชั่วคราวใจโกรธขึ้นมาเจริญเมตตาเอาไว้ก็สงบชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวระหว่างทางเดินยังมีของชั่วคราวอยู่แต่ตอนที่เกิดอริยมรรคแล้วตัดแล้วตัดเลย ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วตัวไหนถูกฆ่าทำลายไปแล้วไม่มีอีกแล้วนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเห็นไหมวันนี้สอนสั้นๆครอบคลุมไปหมดแล้วถ้าใครเข้าใจทั้งหมดนี่ก็สบายเท่านั้นเองไม่ต้องภาวนาถ้ายังเข้าใจไม่หมดนี่ต้องภาวนาอีกต้องเจริญสติไปรู้กายรู้ใจไปตอบได้หรือยังจะปฏิบัติจะทําอย่างไรมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางจําได้ไหม จำไม่ได้เข่งหัวตัวเองสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งมีสตินะเขกงเอาไว้ให้มันจำเข้าไปทะลุหัวกะโหลกบางคนกะโหลกหนาเคาะแรงๆมีสตินะสติทำอะไรสติรู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจอย่างไรต้องรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้ด้วยจิตชนิดไหนรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้อย่างนี้แหละมรรคนิพพานไม่ไปไหนหรอกถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้กินหรอก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 ท่านผู้นั้นผู้นี้สอนเราจะรู้เลยว่าเขาสอนอยู่ตรงไหนเขาสอนถูกตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือสอนตามที่คิดเอาเองเยอะมากที่สอนตามที่คิดเอาเองหรือสอนตามที่เรียนมาจากอาจารย์อาจารย์สอนมาอย่างนี้ก็เชื่อเชื่อเอามันลดละกิเลสอะไรไม่ได้เลยอย่างบางคนไม่ได้มีสติเพ่งลูกเดียวกำหนดลูกเดียวไม่มีสติใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วเพราะไม่สามารถรู้รูปนามได้ไปรู้ความว่าง นี่มีสติต้องรู้รูปนามบางคนไปรู้ความว่างความว่างไม่ใช่รูปนามความว่างเป็นอารมณ์ภายนอกแล้วต้องมารู้รูปนามภายในนี้รู้ตัวเองนี่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราอยู่ตรงไหนรู้เข้าไปตรงนั้นเลยฉะนั้นไม่ไปรู้ของข้างนอกอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งอย่าไปน้อมจิตให้ว่างอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจไม่ใช่ภาวนาเพื่อว่านั่งนานๆแล้วไม่เจ็บไม่ปวดเราต้องรู้ตามความเป็นจริงกายนี้มันต้องเจ็บต้องปวด กายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่นั่งให้มันไม่เจ็บไม่ปวดอยากให้มันไม่เจ็บไม่ปวดมาบอกหมอเหน่งนี่ให้แกบล็อกไขสันหลังให้ถ้าไม่ตายตายก็ไม่เจ็บนะแกบล็อกเอาไว้ก่อนฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นให้มันไม่เจ็บไม่ปวดได้ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันมีความสุขล้นล้นไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันเที่ยงไม่ใช่ภาวนาเพื่อเราจะบังคับกายบังคับใจเราได้ ภาวนาแล้วให้กายให้ใจที่ยังก็เป็นนิจจังไม่ใช่อนิจจังขัดกับหลักที่ว่าต้องเห็นไตรลักษ์แล้วภาวนาจะเอาความสุขก็ไม่ได้เห็นทุกขังดังนั้นภาวนาให้เห็นทุกขังนะความทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ภาวนาหาความสุขภาวนาให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ภาวนาจะบังคับกายบังคับใจให้ได้เช่นเดินได้ทั้งคืนแล้วก็ภูมิใจนั่งได้ทั้งคืนแล้วก็ภูมิใจ จะดูจิตให้นิ่งเลยแล้วไม่กระดุกกระดิกเลยนิ่งไปเลยก็ภูมิใจนี่ไม่เห็นไตรลักษ์ใช้ไม่ได้ถ้าเห็นแล้วไม่เป็นกลางหลงยินดีกับมันเช่นบางทีภาวนาไปใจมีความสุขขึ้นมาตัวรู้โดดเด่นขึ้นมาเกิดยินดีกับตัวรู้ไปประครับประคองไปรักษาตัวรู้นี่ผิดอีกแล้วไปหลงยินดีกับสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผิดอีกแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาก็โมโหทาไมมันเกิดบ่อยนักวะ ไม่อยากให้มันเกิดก็กิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดสิกิเลสไม่มีเหตุกิเลสก็ไม่เกิดฉะนั้นมันเป็นอนัตตามันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่เป็นไปตามที่เราสั่งคําว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาแปลว่าเราบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเราบังคับมันไม่ได้อนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างเปล่านี่เราต้องค่อยค่ฟังค่อยๆเรียนจับหลักให้แม่นแม่น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 จิตเกิดดับไปเรื่อยเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจดูไปเรื่อยๆนี่เขาแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้ไปฝึกให้เขานิ่งฝึกไปเรื่อยๆดูด้วยใจที่เป็นกลางๆกระทั่งอยากบรรลุธรรมเร็วๆก็เรียกว่าไม่เป็นกลางแล้วคนไหนภาวนาแล้วอู้ภาวนามาตั้งสามวันแล้วทำไมยังไม่ได้อีกให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้ว หรือภาวนามาปีหนึ่งแล้วทําไมไม่ได้ก็ยังอยากอยู่ไม่มีวันได้หรอกต้องภาวนาจนมันหมดอยากมันถึงจะได้ตอนที่ใจจะเข้าธรรมะแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะโสดาสกัาคาอนาคาพระอรหันอะไรนี่แต่ละขั้นแต่ละตอนเป็นตอนที่ไม่ได้มีความจงใจที่จะดูไม่ได้จงใจที่จะได้อะไรแต่ก่อนที่จะไม่จงใจได้นะมันจงใจมาก่อนแล้วทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็จงใจไปก่อนนั่นแหละ พระอนุนถึงสอนว่ามีตัณหาเพื่อวันหนึ่งจะละตัณหามีมานะเพื่อวันหนึ่งจะละมานะมีทิฏฐิเพื่อวันหนึ่งล้างทิฏฐิลงไปเบื้องต้นมันก็ต้องมีมีแล้วคอยรู้ทันอย่าไปส่งเสริมให้มันมากขึ้นฉะนั้นใจมันอยากปฏิบัติให้รู้ทันว่าอยากปฏิบัติพอความอยากปฏิบัติดับไปแล้วทำอย่างไรดีมันเลิกอยากแล้วนอนเลยไหมนอนเลยโง่อีกแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพราะมันอยาก เราภาวนาเพราะมันสมควรจะภาวนาใจมันอยากภาวนาเราก็รู้ทันวุ๊บความอยากดับไปเราก็มีสติต่ตอไปเลยตรงที่เรารู้ทันใจที่อยากภาวนานั่นแหละภาวนาเสร็จแล้วหนึ่งรอบ